ปัญหาข้อที่16อธิบายและตอบปัญหาเรื่องการพยากรณ์รู้เรื่องราวในอดีตโดยจับสิ่งของมีจริงได้แค่ไหนเหตุการณ์อารมณ์ถูกสะสมว่ในรูปคลื่นพลังความสันสะเทือนคล้ายที่บันทึกในคอมได้อย่างไรคนจะทำเรื่องนี้ได้จริงยากแค่ไหนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงน่าเชื่อถือว่าเป็นของจริงซึ่งความสามารถนี้ใช้สืบประวัติคนตาย และสืบหาผู้ร้ายขโมยของได้มีตัวอย่างจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศและแม้ในพระไตรปิฎกเช่นระวังขีสาขอกะโหลกคนตายแล้วรู้ว่าไปเกิดพบไหนการรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจหลักก่อนจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าควรเชื่อหรือไม่กับผู้ที่อ้างว่ามีญาณทิพย์รู้ไปหมดทุกเรื่องที่คนอื่นไม่เห็นแต่ถึงเวลามีเหตุการณ์สาคัญแล้วทำนายไม่ได้หรือถูกไม่กี่ครั้ง นับสถิติแล้วผิดมากกว่าหลายเท่าซึ่งอยากฝากข้อคิดไว้ว่าคนที่มีสัมผัสพิเศษในระดับสูงนั้นมีอยู่จริงแต่คนที่จะมีบุญได้เจอนั้นต้องมีบุญมากจริงจริงหรือมีกรรมสัมพันธ์กับท่านผู้นั้นมาก่อนเท่านั้นและคนที่ทำได้จริงจะไม่ค่อยเอาออกมาหากินหรือเอามาโชว์อวดคนอื่นมีหลักอยู่ว่าต้องปฏิบัติปลีกวิเวก และมาตัดขาดทางโลกหรือไม่สนใจเรื่องทางโลกซึ่งเป็นเหตุให้จิตฟุง้งและความสามารถเสื่อมลงได้ยกเว้นพระอาริยะที่ฌานไม่เสื่อมแต่พระอาริยะท่านก็มีปกติไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องทางโลกอยู่ดีนะครับปัญหาข้อที่16กการพยากรณ์โดยการจับต้องสิ่งของ เอสเทลโลบิรมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเธอจับต้องสิ่งของอันใดเธอสามารถที่จะรู้ได้ว่าของนั้นเป็นของใครมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้นบ้างเช่นที่เธอกล่าวว่าครั้งหนึ่งมิสเตอร์แฮกนี่ได้นำเศษหินชิ้นหนึ่งมาให้ดิฉันถือไว้และถามว่าดิฉันสามารถจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเศษหินชิ้นนี้ได้บ้างหรือไม่ พอดิฉันจับก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทีเดียวและสามารถบอกเขาได้ว่าหินนี้ได้ถูกฝังอยู่ในดินมาเป็นเวลานานแล้วเพิ่งถูกขุดขึ้นมาเมื่อเร็วนี้เองและหินนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ทำด้วยหินซึ่งอาจจะเป็นขวานก็ได้การพยากรณ์ของเอสเทโรเบิร์สที่กล่าวมานั้นปรากฏว่าเป็นความจริงเพราะต่อมามิสเตอร์แฮกนี่ได้นาหินชิ้นนั้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษตรวจสอบและเขาก็ยืนยันตรงกับคำพยากรณ์ของเอสเทลโลเบสและอีกเรื่องหนึ่งเอสเทลโลเบสก็ได้กล่าวไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งดิฉันได้จับหินก้อนหนึ่งและก็เกิดความรู้สึกทันทีว่ามันเป็นเศษหัวลูกธนูความคิดของดิฉันย้อนไปถึงประสาสมัยโบราณหลังหนึ่งแล้วก็นึกไปถึงการรบ ที่เกิดขึ้นรอบๆประสาทนั้นอย่างแจ่มชัดดิฉันรู้ว่าเศษหินนี้เป็นหัวลูกศรซึ่งฝังเข้าไปในกำแพงอันหนาสมัยโบราณ น, นั้นดิฉันได้บอกแก่บุคคลที่นำเอามาให้ดิฉันว่าหินนี้เป็นหินที่หลุดออกมาจากเศษหัวลูกธนูซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเป็นความจริงดังนั้นโดยบอกว่าเศษหินนี้เขานามาจากประสาทหลังหนึ่งในเวลส์เหนือ นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาสองเรื่องนี้แล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เอสเทลโลเบิร์ตได้เล่าไว้แต่ทั้งหมดก็สรุปได้ว่าเมื่อเอสเทลโลเบิร์ตจับต้องสิ่งใดก็สามารถที่จะรู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นและในเรื่องนี้เอสเทลโลเบิร์ตก็ได้อธิบายไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุนั้นจะต้องมีอัตราความสั่นสะเทือนคือเต้นอยู่เสมอเหมือนกับชีพรจรของบุคคล รังสีที่แวดล้อมร่างกายของมนุษย์อยู่นี้ก็ส่งความสั่นสะเทือนเป็นช่วงคลื่นออกมาเหมือนกันและวัตถุที่เราเรียกกันว่าไม่มีชีวิตหรือไม่มีวิญญาณ น, นั้นจะดูดความสั่นสะเทือนนี้เข้าไปและเธอได้บอกอีกว่าบุคคลผู้ชนานาญในเรื่องการพยากรณ์แบบนี้เมื่อจับต้องวัตถุสิ่งของของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาก็สามารถจะแปล ى, หรือว่าแปลง ความสั่สเทือนที่มีอยู่ในวัตถุนั้นมาเป็นความรู้ที่ปรากฏในห่วงสํานึกได้ทีเดียวคือเขาสามารถจะรู้ถึงลักษณะของผู้เป็นเจ้าของอัธยาศัยความชอบไม่ชอบและสติปัญญาของผู้เป็นเจ้าของนั้นด้วยนอกจากนั้นบางครั้งก็สามารถจะเห็นภาพในกาละหรือเทสะที่ห่างไกลไปจากกาละและเทศะในปัจจุบันนั้นก็ได้โดยที่เขาจะสามารถเห็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเหมือนกับในปัจจุบันอีกด้วยนี่คือทฤษฎีที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้และการที่เธอทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัตถุนั้น mm. ก็โดยเหตุที่เธอมีความสามารถในการแปลความสันสะเทือนออกมาได้สำหรับในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวเรียนถามท่านและท่านก็ได้อธิบายให้ฟังว่า หลักที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้นั้นเป็นความจริงและการพยากรณ์โดยการจับต้องสิ่งของก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ง่ายนักตัวท่านเองเข้าใจแต่ทฤษฎีในทางปฏิบัติทำไม่ได้แต่อุปปาติกาอีกองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านเคยทำได้เมื่อสมัยยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ก็ทาไม่ได้ทุกครั้ง และองค์อื่นๆอีกหลายองค์ก็บอกว่าเคยทําได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องจากเรื่องนี้เลยทําให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องในคมภีพุทธศาสนาซึ่งกล่าวไว้ว่าพระวังคีสะเป็นพระอรหันตสาวกองหนึ่งในจำนวนพระมหาสาวกแปสิบองค์พระอรหรอันตองนี้เมื่อก่อนท่านเป็นพรามและมีมนพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือเมื่อรายมนข้อกระโหลกศีรษะของคนที่ตายไปแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรและต่อมาได้มีโอกาสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้ไปนำศีรษะของคนที่ไปเกิดในภูมิต่างๆซึ่งรวมทั้งกะโหลกศีรษะของพระอรหันด้วยทั้งหมดห้ศาศีรษะมาให้ท่านวังคีศากาะดู สำหรับกระโหลกของผู้ที่ไปเกิดในภูมิต่างๆนั้นท่านบอกได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงรับรองเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบอยู่ก่อนแล้วว่ากระโหลกศีรษะเหล่านี้เป็นของใครขณะนี้ไปเกิดอยู่ที่ไหนแต่เมื่อถึงกล่าวข้อกระโหลกของพระอรหันต์ท่านวางขีสะนิ่งเฉยไม่พูดอะไรออกมาพระพุทธเจ้าจึงถามว่าทาไมจึงนิ่ง ท่านก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเฉพาะอันนี้ท่านไม่ทราบว่าท่านผู้นี้ตายแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงได้ถามว่าอยากจะรู้หรือไม่ท่านก็ตอบว่าอยากจะรู้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าถ้าจะเรียนมนต์อันนี้ก็ต้องบวชถ้าไม่บวชเรียนไม่ได้และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ยอมบวชและหลังจากบวชไม่นานเท่าไหร่ ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์จากเรื่องของท่านวังคีสะที่ข้าพเจ้าเล่ามาโดยสังเขปนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการพยากรโดยการจับต้องสิ่งของเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลอันที่จริงวิชานี้ถ้าผู้ใดทำได้ก็นับว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเพราะสามารถจะเอาไปใช้ได้หลายทางเช่นในการสืบประวัติของคนที่ตายไปแล้ว หรือการสืบหาคนที่เป็นผู้ร้ายขโมยของและอาจจะใช้อย่างอื่นได้อีกตั้งหลายอย่างแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าวิชาอันนี้วิชัยจะฝึกขึ้นมาได้ง่ายๆถ้าหากคนไหนไม่มีพรสวรรค์ในทางนี้จริงๆแล้วก็ไม่อาจที่จะฝึกได้และท่านก็ได้อธิบายให้ฟังว่าผู้ที่จะสามารถพยากรณ์โดยการจับต้องสิ่งของนี้ จะต้องมีความสามารถในด้านอื่นประกอบด้วยเช่นต้องได้ทิพยาจักษุต้องระลึกชาติได้ต้องหานใจคนอื่นได้ถ้าความสามารถในด้านนี้ไม่มีอยู่บ้างจะพยากรด้วยการจับต้องสิ่งของไม่ได้อันหนึ่งมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งจากคำบอกเล่าของเอสเทลโลเบิร์ต ในตอนที่เธอจับวัตถุอันใดเพื่อที่จะพยากรณ์ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุอันนั้นเธอได้บอกว่าในตอนนั้นมันเป็นคล้ายๆายกับว่าจิตของเรามีสภาวะว่างไม่ได้มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกดังที่เป็นอยู่ตามปกติและดังนั้นจึงทำให้ใจของเราในตอนนั้นสามารถรับอารมณ์หรือความคิดที่แฝงอยู่ และซึ่งกําลังคอยจ้องจะแทรกเข้ามาในห่วงความคิดของเราได้นั่นเองจากคาบอกเล่าทีเอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้นี้คงจะทําให้เราได้หลักว่าคนที่จะสามารถพยากรโดยการจับต้องสิ่งของได้นั้นจะต้องสามารถทําใจให้ว่างจะต้องไม่ให้มีความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาและในขณะเดียวกันก็พยายามสํารวจให้แน่วแน่อยู่กับวัตถุสิ่งนั้น เพื่อให้ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัตถุนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองในใจการกระทําเช่นนี้ก็คือการแปลความสันสะเทือนที่ออกมาจากวัตถุนั้นเพราะวัตถุทุกอย่างสามารถดึงดูดคลื่นของเหตุการณ์ต่างๆเข้าไว้ในตัวมันได้และส่งออกมาได้เสมอทฤษฎี ด, ดังที่กล่าวมานี้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเอง ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะแน่ใจนักแต่ก็ยอมรับว่าการพยากรณ์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และทฤษฎีอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวเมือนี้ข้าพเจ้าก็ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงจะขอเชื่อตามหลักที่กล่าวไว้นี้ไปพลางก่อนถ้าหากเมื่อใดข้าพเจ้าได้พบคำอธิบายที่ดีกว่านี้ก็จะนำมาเขียนในภายหลัง แต่ก็มีข้อที่ควรจะสังเกตไว้อย่างหนึ่งคือตามที่ท่านได้บอกมานั้นผู้ที่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆด้วยการจับต้องวัตถุนั้นจะต้องมีความสามารถในการระลึกชาติได้บ้างแต่สำหรับในกรณีของเอสเทลโลเบิร์ตไม่ปรากฏว่าเธอมีความสามารถในทางนี้แต่ก็เชื่อได้ว่าเธอมีความสามารถในการพยากรณ์จริงๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในการพยากรณ์ทุกๆครั้ง จะต้องมีท่านเมฆแดงคอยบอกและในบางกรณีก็มีโอปปาติกะที่เป็นเจ้าของวัตถุนั้นเป็นผู้บอกให้ก็มีเช่นในหน้า124มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าหญิงคนนั้นได้ถามดิฉันอย่างไม่เชื่อว่าแล้วคุณรู้ได้อย่างไรเล่าดิฉันได้ตอบว่าดิฉันรู้ได้ก็เพราะสหายของดิฉันที่เป็นโอปปาติกะ ได้บอกให้ได้ยินไม่เช่นนั้นดิฉันจะรู้ได้อย่างไรจากข้อความที่เอสเทโรเบิร์ตได้กล่าวไว้นี้แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถพยากรณ์โดยการจับวัตถุก็เพราะมีโอปปาติกะคอยบอกให้นั่นเอง